ก็มีตั้งเนาะช่วงที่ก็มารวมมารวมกันหลายหลายสำนักหายนักหลยเขาก็จะหแนะนำตัวเองได้ดีกว่าว่าปฏิบัติมาอย่างไงอะไรยังไงเนาะแต่ละค น, น, น, นแต่ล ะ, ละท่านน่าก็จะได้พูดในเรื่องประสบการณ์ตีเมื่อปฏิบัติมามากน้อยแค่ไหน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 ครับคุณครับครกับนักมาสการพาระาอ า, ารย์ครับผมก็ปวดตั้งแต่เข้าพรรษาครับปีเดือน พ, พรรษาหนึ่งครับ ก, ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆครับเก็บอารมณ์มาสองครั้งแล้วครั บ, บมาวาัดชื่ อ, อภาคภูมิฐานะวัโลครั บ, โบโมาจากวัดธรรมแสงเทียนอยู่ยุยทธยาครับ ใช่ชุดน้องก็รอ น, น้องรม า, <อ>าคราับดีที่ครับครับผมครับอกาสพระอาจารย์ผมพร ะ, พระมมาอเนกชัยสิริวัฒโนมาจากวัดเทปทานครับพอดีได้พระอาจารย์แดงพามาปฏิบัติที่วัดถำแสงเทียนครับก็ Hmm. ตอนนี้ก็บวชได้สองพรรษาเคเก็บอารมณ์มาสองครั้งครับคร <okay ั้งแรก่นีคร uh> uh uh uh uh uh ั้งแรกก็เก uh ็บที่วัดธรรมครับหพ่อสองครั้งครับก็ยังยังยังไม่คืนใต้เข้าใจเท่าไหร่หรอกครับยังพอเข้าใจเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติอยู่เหมือนกันครับใ่เที่ยวนี้นะครับว่า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 ไม่เหมือนเก่อนนะครับรครับสามประศาณนะครับ<า>ครับขอ้อกล่าวคูบาปอาจารย์ทุกทุกครับอ่าผมทวัตชัยพระทวัตชัยกุศลจิตโตบวชที่ปัดการีอาเภอเมืองขอนแก่นไปพักอยู่กับหลพิษัทธปาสรีรสบรุรภาได้สามเดือนแล้วครับบวชตอนที่สิบเก้าเ<า>มษาเบิ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 ผม พ, พทททททระทศพลทศติโนครับมาจากวัดปานาโพวัดหลวงพ่อพระงค์ในแนะนาจากอาจารย์สักดกับอาจารย์แดงแนะนำม า, า ม, มาเจ็บอารมณ์ผมเพิ่งบวชเมื่อหกกันยาปีที่แล้วครับรเดืปีเดียวกันปีครับรเดือนไปบวิกันนี้รู้มาบวชไปสมัยเดือน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 ผมก็ติดตามอาจารย์ไปรเรื่อยๆครับเื่อเท่ากันนะครับอยู่วล้ก็ปฏิบัติไปรเรื่อยครับปิบัติครับก็เข้าใจดูน้ำบางเรื่อก็พอรู้เล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วครับดีก็เดิมครับส่งครักบการคารวะหลวงพ่อครับครูบ า, าอาจารย์อาจารย์พงและพระธิราชทุกรูปครับกับคารวะคณะสงฆ์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 ครับนักบวชสการหลวงพ่อมหาและคุณบาอาจารย์คณะสงฆ์ทุกทุครับผมบราวิสุทตะปะสีโลพระอภัยทเกียบชาเชิงเสาครับวิสุท์ครับปะสีโลครับเด็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 แ่สงเทียนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ครับผมทัรษาก็ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับเมื่อสี่แปดนี่เองครับหวดเมื่อสี่แปดครับผมก็สิบสองสิบสิบสองพรรษานี้ประมาณครับ ก็อย่างแล้วคือการปฏิบัติก็ใช่จะถามถึงการปฏิบัติผมก็ยังไม่เข้าคั้อย่างพี่ๆเขา กับเทการหวงมหาครับก็อากาศร้อนส่งผมปะโคฟกตาทมวัดครับสมานครับก็เคยว่าสึกปฏิบัติรับอาจารย์กมกิจครับได้สักระยานึงครับพอแยกกันก็ทิ้งไปหลายปีครับ แบบโกรธแบบบาตรเลยลนไปเรื่อยครับไม่มีวัดอยู่ครับกลัวมันจะตายก่อนก็เลยกลับมาอาจารย์พงศ์วอยนีมาเก็บอารมณ์นี้ได้ยินข่าวอาจารย์พงศ์จะพาเก็บอารมณ์เดือนนึงครับเราจะมาะเรื่องใหม่ครับมาปรึกใหม่พรรษาเท่าไหร่รพรรษาสิเสี่แล้วผมขอครับ <14. S 1> กระตาษทอมอไปผมกับหลชายกากัพินันโทชื่อกับเบนมันแบนอยู่แล้วมึงอกลุ่ม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 อยู่ยครับลุงพระจารย์สมพงศ์ก็สี่ห้าปีครันนี้ก็เล่นเดินเดินทุหลงมาก็คิดว่าจะไม่นี้ไปอยู่ที่ใดอร อ, อกล่าวว่าจะกลับก็พอดียเขาก็เลยนิมนต์นิมนต์ไว้ให้ก่อสร้าง ก่อสร้างอาตมาก็มีการต่อลองถ้าก่อสร้างวัดถางวัตคุูอาตมาเขาจะไม่ไ ม, ม่รับปากญาติโยมถ้าก่อสร้างการต่างภาคปฏิบัติให้พ้นโทษอย่างนี้อาตมาก็จะอยู ก็ได้เลยเอาก็าในรูปพระรูปนัง่งก็บวดวดขามาใหม่ๆก็รูปพระรุดอืมก็เดินลงไปก้าวไปที่ จ, ะจะ่าตริงจันทร์ท่านกบฏอยู่ที่นั่นอยู่ที่ของ บ, ทงบทุท่านกบตรัดแคลนท่านก็ไปอยู่ที่ตริงจันท์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 ไม่รู้อ่ไม่ไม่ได้อะไม่ได้เข้าโรงเรียนมาก่อนค่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็แนะนําให้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องหนังสือพอดีมันก็ได้ช่วงพอดีก็ที่กระผมพงศกิเลสของผมพอดีออปีแรกผมก็ปีแค่นี้ครับผมครก่อนที่จะสรุปอะไร ช่วงนั้นผมก็เอาช่วงฉันดีกว่าเป็นล้วสาภาพพรมกันไปรับอาหาร